ดันมีลูกนะจนกระทั่งต้องเอาลูกไปทิ้งแต่บางคนนี่อยากจะมีลูกก็ต้องดิ้นรนแสวงหาถึงกับไปจ้างคนให้มาตั้งคันแทนคือก็มีคนนะสามีภรรยาจำนวนมากที่ไม่สามารถจะมีลูกด้วยตัวเองได้เช่นภรรยาอาจจะไข่ไม่ดีนะ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 เรื่องมันก็ยาวไปถึงออสเตรเลียนเป็นข่าวรนะัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมจะรับเด็กคนนั้นเนี่ยมาจะให้สัญชาติเป็นออสเตรเลียจะได้มาทำการรักษาที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยก็บอกว่า เ, เด็กไทยฉันก็รักฉันก็ดูแลได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยทำการดูแลเด็กกันเป็นการใหญ่แต่ว่ามันก็ทำให้เรื่องนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาว่า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 คือพอท้องแล้วก็ลูกคลอดออกมาเด็กนั้นก็กลายเป็นสมบัติของคนว่าจ้างไปผู้หญิงที่ตั้งท้องนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะทั้งที่โดยความสัมพันธ์แล้วมันก็คือแม่กับลูกนะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่เพราะอำนาจเงินนะมันก็สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ได้คนที่เป็นแม่ก็สมัยสามารถจะรู้ว่าลูกของตัวเองนี้ไปอยู่ไหนแล้วเพราะว่า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 ซื้อด้วเงินมันแพงนะถึงจะได้ของดีและเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินมันก็เข้ามามีที่พลต่อจิตใจคนมากจนกระทั่งไปไประมาณเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินแล้วนะแต่เงินมันใช้เราแทน mm hmm. เงินมันกลายเป็นนายเราแทนยอมทําชั่วได้เพราะเงินนะยอมไม่ใช่แค่ยอมปลดยอมจี้ยอมคอร์รัปชันนะแต่ว่าแม้กระทั่งจะกงเพื่อนฆ่าพี่ฆ่าน้องหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เพราะเงินเดี๋ยวนี้ก็ ก็ไม่ใช่เรื่องเกินความจริงละมันเกิดขึน้นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ mm hmm. เราใช้อะไรไปนานๆเนี่ยไอสิ่งนั้นมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งกำหนดจิตใจของเรา mm hmm. ถ้าเราใช้เงินบ่อยๆเราก็มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งท้าไปได้ง่าย mm hmm. ก็เหมือนกับเราใช้นาฬิกานะใช้คนสมัยก่อนนี่พอเจอนาฬิกานี่ใช้ไปใช้มาก็มอง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 เห็นมันเป็นพระเจ้านี่อันนี้ก็แย่แล้วนะเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ได้เพื่อเงินนะเพื่อความมั่งคั่งร่ารวยบางทีก็ทะเลาะ ก, กันนะเรื่องเงินไม่กี่บาทอย่างเมื่อสองสมวันก่อนก็มีคนไปเก็บเงินตามห้างไม่ไม่ตามห้างตามแผงแล้วก็ตามร้านปกติเก็บตามแผงก็ยี่สิบบาทวันละยี่สิบบาทแต่ว่ามีร้านหนึ่งเขา ใช้เครื่องไฟฟ้าใช้เครื่องเรียกว่าอะไรเครื่องปัน่นเครื่องปั่นผักปั่นผลไม้สี่เครื่องก็เลยเก็บร้อยี่สิบเจ้าของร้านไม่พอใจก็มีการทะเลาะกันว่าลุ่งขึ้นเขาก็มาเก็บใหม่แต่คนนี้เจ้าของร้านเตรียมตัวแล้วเอาลูกน้องมามายิงนะมายิงคนเก็บเงินตายแค่ร้ย่สิบบาทนี่แหละนะ เ, เล่นเงินฆ่ากันตายเลย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 กับยอมตัวเองกลายเป็นคนรับใช้เงินทำทุกอย่างเพื่อเงินหรือแม้กระทั่งฆ่าคนก็เพาะเงินอันนี้มันก็น่าอนาถนะแล้วก็เตรียมรับพร